เช้าเสร็จแล้วก็สื่อกาเปลี่ยนเปลี่ยนจิตใจของเราการเปลี่ยนจิตใจที่ดีสูุดคือการเข้าเฝ้าพระรัตนตรัยนีแหละเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ า, ด, าด้วยการทำบัดเช้าเนี่ยเป็นการเปลี่ยนใจที่ดีที่สุดเนาะหรือที่จริงก็เป็นการวางใจที่ดีที่สุดด้ยนะ ที่จริงท้านคนที่ปฏิบัติทำแล้วก็เข้าใจทำจริงจริงมันจะไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเพื่อที่จะเอาอะไรมาสนองความต้องการส่วนตัวของเราเองนะที่จริงถ้าปฏิบัติทำเป็นเข้าใจแต่มันจะรู้สึกว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงค์นพะอเราปฏิบัติแล้วระลึกว่าเราปฏิบัติเพื่อ ก็บูชานะ่ะพระรัตนไตเนี่ยมันมีแบบยิ่งปฏิบัตินะ่ะยิ่งยิ่งเบายิ่งสบายความคาดหวังนะ่ะมันดน้อยลงไปความทุกข์มันก็น้อยตามไปด้วยแต่ทั้งเมื่อไรที่เราปฏิบัติแล้วเหมือนเราอยากจะเอานะ่ะมันมันยิ่งทุกข์มันยิ่งเครียดเมื่อตอนมามาต้นต้นเดือนที่ผ่านมากมแล้วมีนักปฏิบัติคนหนึ่งก็มา มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดนะก็เคยเห็นหน้ากันเขาต้อนมาบอกอยู่ว่าจะมาอยู่สักสิบวันนะแต่พอประมาสักวันที่สี่วันที่ห้ามังก็มาหาตั้งมาอีกทีและเราก็จะขอลากลับกลับบ้านครับนะไปทํางานดีกว่าเพราะว่ามาปฏิบัติรอบนี้แล้มันมันมีแต่ความรุ่นวายฟุ้งซ่านนะไม่ไม่ดีอย่างที่เขาคิดเลย เราก็คุยไปทักทักหนึ่งก็ถามถา ม, ถามนั่นถามนี่นะจนกนทั่งเขาก็มารู้ตัวว่าที่จริงเป็นความวุ่นวายความทุกข์เนี่ยก็คือมันก็เกิดจากความอยากเปงความนั้นแหละเขาคิดว่ามาปฏิบัติครั้งก่อนมันได้ระดับนี้แล้วมาครงนี้ก็ต้องมาต่อยอดต้องต้องดีขึ้นต้องมากขึ้นเรื่อยๆนะนะเขาก็คิดว่ามาครงนี้มันต้อง มันต้องรู้สึกตัวมากขึ้นมันต้องสงบมากขึ้นมันต้องได้อะไรมากขึ้นแต่พอมาอยู่สี่ห้าวันเนี่ย ม, ยววมีแต่ความฟุง้งซ่านแล้อกหบุญหิตนะจิตก็เลยแบบก็เลยคิดหอกว่านั้นกลับไปทํางานดีกว่านกลับไปอไปบ้านดีกว่าก็มาก็มาลาเป็นมาแต่พอคุยไปมาเขาบอกว่าอย่าเพิ่งกลับเนาะอยู่ก่อนออื ตั้นใจจะอยู่สิบวันแล้วอยู่ให้มันได้สิบวันก่อนนะลองทําแบบเขาพอเขาก็รู้ตัวว่าที่จริงเขาทุกข์มากก็คือเขาอยากเนี่ยแหละเขาอยากจะได้ความสงบอยากจะดีนะก็บอกว่าเออลองทําเล่นๆนนดูเนานะะบางทีเราเดินจมกลมหรือว่านั่งตั้นจังหวะแล้วมันเครียดก็ออกไปเดินที่อื่นบ้างนะหรือว่าทํานอกรูปแบบบ้างเวลามันมันไม่สบายนะ เขาก็ออกไปทํานะก็จนกรทางเออเขาก็อยู่ได้หกสิบวันวันหลังจากที่บอกไปสองสามวันต่างเลยนะก็ไปถามเขาอยู่เขาบอกอืมดีขึ้นแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่ฟุ้สร้างนะมันก็ยังฟุ้สร้างอยู่แต่ที่ดีขึ้นก็คือว่ามันมันไม่มันไม่ลดความคาดบวังในเรื่องผลของการปฏิบัติลงไปได้มันก็เลยทําให้อยู่สบายขึ้นนะก็เลย ไม่ทุกมากนะเขาจะมาเห็นตัวเองว่าเื่อที่จริงมันพุกเพราะว่าเราคาดหวังเราคาดหวังคือเราอยากจะได้นะเราคิดว่าเราจะได้อะไรนะเป็นเป็นผลของการภาวนาของเราเองแต่อย่างที่มาบอกบางทีถ้าเราภาวนาไปจริงๆนะเราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเอาอะไรแต่เราภาวนาเป็น เียว่าเป็นพุทธบูชาก็ันนะเป็นธรรมบูชาเป็นสัมผะบูช า, รรชาอืแต่คนก็อาจจะไม่เข้าใจนะว่าไมเราภาวนาแบบนั้นเพื่ออะไรนะแต่จริงถ้าภาวน า, าเป็นจริงเป็นแบบนั้นจริงนะมันจะคิดถึงคุณพระพุทธเจ้าโอ้มันจะเห็นว่าธรรมะนี่มันเราไม่สามารถคิดเกียได้อจริงนะเนาะพุทธเจ้าท่านพบทาง ท่านบอกทางหรือว่าครูบาอาจารย์ที่บอกทางากับเรานี่งุ่งมันเป็นอะไรที่มันมีค่ามากจริงๆนะมันทำเหมือนทำเพื่อบูชาเราปฏิบัติธรรมก็เพื่อบูชาท่านเราทำอะไรต่างๆก็เพื่อบูชาท่านไม่ใช่ว่าเราจะเอาอะไรเนาะไม่ใช่ทำเพื่อจะเอาแต่ทำเพื่อเพื่อบูชาจริงๆนะ มันจะเกิดความกตัญญูเกิดความรู้คุณตอบแทนคุณเนี่ยเราทำแบบนี้นะมั น, นะ ม, นมันได้หมดเลยนะนะแต่มันก็ต้องเริ่มจากการที่หนึ่งเราก็ต้องไม่ปฏิบัติเพื่อเหมือนกดดันตัวเองนะว่ามันจะต้องได้มันจะต้องรู้มันจะต้องเป็นอะไรเราต้องวางความคาดหวังเั่านั้นผมนะแต่ใหม่ๆหลายทีหลายคนก็ก็วางยากนะ อย่างรามาเองตอนภาวนาใหม่ก็เหมือนกันบางทีหลวงพ่อท่งเขียนก็มักจะพูดเปบ่อยๆว่าให้ทำเน้นๆนะอย่าไปทำด้วยความอยากนะไม่ได้อยากเอาอย า, อยากนั่นอยากนี่เราก็เคยได้ยินอยู่บ้างแต่พอเราเก็บอารมณ์ <c oughs> พอเราปฏิบัติกับเก็บอารมณ์ตอนภาษาแรกก็เก็บอารมณ์นะสิบห้าวันได้ไห ม, มวันแรกแรกก็ ทำสบายๆแต่พอเริ่มหลายวันขึ้นนะเราก็คิดว่ามันมันต้องรู้มากขึ้นสิมันต้องสรบมากขึ้นสิต้องได้นั่นได้นี่สิแต่ผมก็บอว่ามันยิ่งเครียดมันยิ่งทุกข์มากแต่พอมันทุกข์มากๆมันก็สติมันก็เตือนนะว่าเออที่จริงเราทุกข์เพราะว่าเราอยากนเราอยากจะบรรลุธรรมเราอยากจะเข้าใจธรรมมากนะตอนนี้ประมาณนั้น พอดีรเรียนจบไม่ทันได้รับปริญญาแต่ก็เป็นช่วงที่ เ, เพื่อนๆรับปริญญาเราไม่ได้ไปรับเราบวชอยู่นะครับเหมือนถ้าเพื่อนรับปริญญาทางโลกนะเราก็จะรับปริญญาทางธรรมนะโดยการบรรลุธรรมเป็นนั่นเป็นนี้นะอืมคือเราก็ไปคาดหวังวางเป้าหมายในชีวิตของเราแต่จริงยิ่งวางก็ยิ่งเครียดก็ยิ่งทุกข์แต่พอความทุกข์ความเครียดมันก็ดีนะ พอเรารู้ตั ว, ว่าเราเราเครียดมันก็มันก็ต้องหาวิธีทําไงให้มันมันลดความเครียดลดความสุขลงก็ค่อยได้สติกันมาว่เาเออพี่จริงหลวงพ่อท่านสอนให้เราทําเล่นๆนะทําเรื่อยๆนะทำเน่นๆนี่ไม่ใช่นั่งเล่นนอนเล่นนะทําเล่นก็คือทําให้สบายๆนะแต่ก็ให้ทําเรื่อยๆนะไม่ใช่ขี้เกียจขี้ค้านนอนตื่นสายเอนะ่ไม่ ไม่ปฏิบัติภาวนาก็ไม่ใช่แต่คือท่านให้ทำเรื่อยๆทำในอิริยบาบถต่างๆก็ให้ปฏิบัติทำทั้งนั้นแต่ให้ทำเหมือนทำเล่นๆอย่าเอาจริงเอาจังเดินก็ไม่ใช่เดินแบบจะ เ, เอาให้ได้เนาะเดินสบายๆนั่งยกมือสร้างจังหวัดก็เหมือนกันนะก็ให้ทำแบบสบายๆทาเล่นๆจริงถ้าใคร เคยเห็นของพ่อยกมือสร้างชวานะท่านจะยกสบายสบายแน่นๆทำแบบแล้วก็เห็น้นเหมันมันผ่อนคลายจริงๆแต่นักปฏิบัติทรามบางคนก็จะทําแล้วก็กลัวนะกลัวมันจะผิดท่าบ้างกลัวมันจะไม่รู้บ้างกลัวมันกลัวความคิดจะแทรกเข้ามาอก็เลยทําแบบไม่อยากให้ความคิดแทรกเข้ามาก็คืออะไรก็คือเรากลัวนะ กลัวจะมีความคิดหรืออีกอย่างก็คือกลัวมันจะไม่ดีนะกลัวจะไม่ได้อะไรแต่ถ้าเราทํารื่อเน้นนะมันคิดก็คิดไปนะเรารู้สึกตัวแล้วก็กลับมากลับมาทําเน่นๆถ้าเราทำเน่นๆนะมันจะทํำได้เรื่อยสังเกตไหมเวลาเราจริงจังมากเนะี่ยทำแป๊บเดียวเนี่ยมันก็จะปวดเมื่อยเนาะอย่างเคยแม่บันทีถ้าเราต้องคับตัวสอนแบบเต็มบรรทัดเนะี่ยเนาะ ไม่กี่บรรทัดเนี่ยก็เมื่อยนะก็มันแบบมันเครียดมันต้องเต็มบรรทัดมันต้องสวยมันต้องดีนะมันก็จะเครียดแต่ถ้าเขียนไปเรื่อยๆนะมันก็สบายกว่านมันก็สบายเขียนไปกีนหน้าก็พอเขียนได้เราทำอะไรก็เหมือนกันเนาะอ่ามันเราเดินอ่ะเราก็เดินมาหลายสิบปีนะแต่พอมาเดินจงกรมไม่กี่นาทีมันเมื่อยนะทำไมโห้เมื่อยไหลเมื่อยขาอ่ สุดท้ายก็เมื่อยใจนั่นแหละนะไม่ได้ทักทีน่ะมันเกิดความเมื่อยขึ้นมาในใจแต่ถ้าเราทําเร่นๆทำสบายสบาๆน่ะก็เดินเหมือนธรรมดาเ น, นี่ยแหละนะแต่เพียงแค่กลับมารู้ว่ากำลังเดินอยู่คนที่เราได้สวดสติประธานนาั่งสวดเนาะก็เพียงแค่เดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งยืนก็รู้ว่ายืนนอนก็รู้ว่านอน รู้ชัดในอยาบทที่เรากำลังทำอยู่หรือแม้แต่อียาบทย่อยๆะเะเียวซ้ายแลงขวาเดินใบข้างหน้าเดินขอยข้างหลังการกินดื่มขับถ่ายทุกอย่างเป็นการภาวนาตรงนั้นเลยน ะ, นะคืออะไรก็คือเราก็าแค่เติมสติเติมสติก็คือเติมความรู้สุตัว คาว่ารู้สึกตัวก็คือตรงข้ามของคำว่าลืมตัวหรือว่าหลงนะใช่ไหมการที่เราลืมตัวคือเราบางทีเราก็ไปคิดตุงสร้างหรือบางทีเราก็ไปจมกับอารมณ์บางอย่างนะงทีเราก็ไปอดีตบางทีเราก็ไปอนาคตบางทีเราก็จมกับความทุกข์ความเศร้าหรือสิ่งที่เราเห็นในในปัจจุบันขณะอันนี้คือเรียกว่าลืมตัว หรือว่าไม่รู้สึกตัวนะการรู้สึกตัวก็คือว่ากลับมานะกลับมาอะไรกลับมารู้ว่าตัวเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่เช่นรู้ว่ากายกําลังเดินเนี่ยก็คือการรู้ตัวรู้ว่ากําลังนั่งก็คือการรู้ตัวรู้ว่ากําลังหายใจนะหายใจเข้าเมือหายใจออกก็คือการกลับมารู้สึกตัวอันนี้คือการกลับมารู้กาย การรู้กลับมารู้กายที่เคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างชัดนะค่อนข้างชัดอันนั้นคือทิฏฐิบทที่ในชีวิตจำบันแต่พอเรามาภาวนาสมวพเทียนหลวงพ่องเขียนนั่นก็เออทิฏฐิบทบางทีเราก็สร้างมาก็ได้นะเช่นการยกมือสิบสี่จังหวะเนี่ยเป็นการสร้างาทิฏฐิบทเพิ่มเข้ามาชีวิตจริงของเราบางทีไม่ได้ยกสิบสี่ท่าแบบนี้เนาะ แล้วก็กวาดบ้านแล้วก็ล้างจานต่างๆแต่พอเรามาสร้างเมญะบทเนี่ยมันมีความตั้งใจขึ้นมาเพื่อผีนิดนึงนตั้งใจในการสร้างท่าต่างๆสร้างเพื่ออะไรสร้างเพื่อให้มันปลุกตัวรู้ขึ้นมาให้มันตื่นขึ้นเพราะบางทีเราจะไปหลงกับความคิดแต่พอเราต้องมายกมือต่างๆมันก็คิดคิ ด, ค ด, ค ด, คดไปแต่พอเราเคลื่อนไหวร่างกายนะจิตมันก็จะกลับมารู้ตัวนะ คล้ายๆกรรมฐานจริงๆก็คือเพียงแค่เป็นอุบายเป็นอุบายเรียกให้เรากลับมารู้ตัวคล้ายๆเหมือนกับเรานอนหลับหรือเราเหมอลอยเนาะมีคนมาเรียกชื่อเรามีคนมาสะกิดเราก็รู้ตัวใช่ไหมอืมเนี่ยเราก็กลับมารู้ว่าเรากำลังอยู่บนโลกนี้นะไม่ใช่ไปหยูความคิดนะแต่เน่ยอุบายเราเียกเหมือนกันนะท่าทางต่างๆนั่คือฝุ กตัวรู้ขึ้นมาในจิตใจแค่นั้นเองนะไม่ได้เป็นอะไรมากกว่านั้นนะแต่เราต้องทำแบบสบายๆแต่ถ้าเราทำแบบเคร่งเครียดเนี่ยมันจะเกิดจิตอีกอย่างนึงคือมันจะอยากนะอยากให้มันไม่คิดอยากให้มันไม่ลงอยากแต่แต่จะรู้ตลอดนะนะที่จริงโดยธรรมชาติเนาะเราก็าปลูกเข้ามาตรงนี้ แต่มันก็มีธรรมชาติอีกอย่างก็คือธรรมชาติของกิเลสกิเลสคือเขาก็จะหาช่องช่องทางแทรกเข้ามาคิดนะหาอ่าสบโอกาสส่ไหนที่มันเถือมันก็จะแทรกเข้ามาเหมือนกับร่างกายของเราเนะาะตั้งกายของเราก็จะมีภูมิต้านทานเมือดขาวาบ้างหือยามือบ้างที่เป็นภูมิต้านทานป้องกันเชื้อโรคทั้งภายนอกหรือเชื้อโครคภายในตัวก็ดี แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ภูมิต้านทานอ่อนแอเชื้อโรคมันก็จากภายนอกบ้างจากภายในบ้างก็เลิ่กแสดงตัวแหน่แทรกเข้ามาทำให้เราป่วยทำให้เราไม่สบายเป็นโรคนะจิตใจต้องเหมือนกันโยมสติเป็นภูมิต้ ง, งนทานในติดนะแต่เมื่อไหร่ที่สติมันอ่อนความคิดความหลงก็จะแทรกเข้ามานะแต่มันหลงก็ไม่เป็นไรนะ ถ้าเราเพิ่มฟูมต้านทานขึ้นมาแทนที่เนีย่ยเชื้อโรคหรือวความหลงมันก็ลด น, น้อยลงไปมันก็หายไปลงมาเองเปรียบเสมือนกับความมืดของความสว่างนี่แหละนะความมืดตอนกลางคืนเนี่ยก็ธรร ม, มดาต้องมีความมื ด, มมดแต่เราก็สามารถที่จะจุดเทียนส่องไฟฉายหรือเปิดไฟไล่ความมืดไปได้จิตก็เหมือนกันนะจิตมันมีแค่สองคณะ ถ้ามันไม่รู้มันก็มันก็หลงถ้ามันไม่มืดมันก็สว่างแค่นั้นเองจิตที่มืดก็คือจิตที่หลงจิตที่ไม่รู้ตัวเราก็แค่ตั้างความรู้ตัวขึ้นมานะมันก็ความหลงความมืดก็าหายไปแ ล, ล้วแค่นั้นเองนั่นจิตมีแค่นี้เองดังนั้นจิตจะมีความคิดไม่เป็นไรเราก็แค่ตั้งตัวรู้ขึ้นมาแทนนะีพอรู้แล้ว มันก็ไม่คิดแล้วมันก็วางแล้วแต่พอสักพักอาจจะเผยไปคิดใหม่มก็ไม่เป็นไรแล้วก็ตร้างตัวรู้ขึ้นมาใหม่นดะังนั้นการเคลื่อนไหวจะเียบทไหนก็แล้วแต่ก็คือการปลุกตัวรู้เข้ามาแทนที่ตัวหลงเนาะเราก็ทำเนี้ยบ่อยๆภาวนาก็คือทาให้มากนะทกําแตัวเนี่ยทําความรู้สึกตัวให้มากๆไม่ต้องไปสนใจว่าวันนี้มันหลงเป็นมากหรือเปล่า เราแค่มาขยันสร้างจะรู้ให้มากให้มาแทนที่นะถ้าเราไม่มาฝึกตรงนี้บางวันอาจจะรู้ครั้งสองครั้งสิบครั้งมันยังน้อยอยู่พอเรามาตั้งตรงนี้นะบางทียกมือสิบสี่ท่านะอาจจะรู้แค่ห่าท่าก็ยังดีนะภายในสิบสี่วินาทีเนะี่ยเรารู้อาจจะสี่ห้าครั้งเนี่ยก็ดีกว่าบางทีชั่วโมงหนึ่งนะ เราดูตัวแค่ครั้งเดียวใช่ไหมแต่นี่แค่สิบสี่วินาทีสิบห้าวินาทีเนี่ยเรายังมาดูตั้งละสี่ห้าครั้งถ้านาทีหนึ่งเนี่ยก็รู้นะเป็นหลายสิบครั้งนะชั่วโมงหนึ่งนี่ก็หลายร้อยหลายพันครั้งเนี่ยเราก็มาตั้งเนี่ยเข้ามาแทนที่นอาศัยเหมือนเอาน้ํำน้อยแต่หลา ย, ลายครั้งนะมาม า, มาดับไฟอยู่ความหลงนะ่ะมันยังมีเป็นธรรมดาตราบใดที่เรายังไม่ใช่ผู้อาหารเนี่ย มันก็ต้องหลงธรรมดาแหลนะแต่การมีสติเนะี่ยมันจะค่อยๆค่อยๆทําให้เรารู้ตัวรู้ตัวนอกจากที่บอกว่ารู้สึกถึงการเคลื่อนไหวรู้สึกถึงร่างกายตัวสติเนะี่ยต่อไปมันจะพัฒนาก็าไปรู้ความรู้สึกรู้ความคิดรู้อารมณ์ภายในจิตใจดนะ้วยเป็นเวทนาบ้างเป็นการปรุงแต่งต่างๆบ้างภายในจิตใจมันจะรู้ตัว บางคนก็ส่วนใหญ่นะมาว่าคนใหญ่ก็จะรู้เริ่มจากจับยาเนาะซึ่งความโกรธความโมโหความหุดหงิดเนี่ยมันจะเห็นบ่อยนะมันจะเห็นเห็นตอนแรกอาจจะเห็นตอนที่โกรธมากๆแต่พอมีสติเรื่อยๆเนะี่ยแค่ ห, หูหงิดขึ้นนิดนึงเนี่ยนะมันก็จะรู้ตัวลวนะอ่าเพราะที่จริงความโกรธก็คือเริ่มจากความหมูหงิดนี่แหละแต่พอสติเราเร็วขึ้นเะนี่ย มันจะเห็นตั้งแต่ความหงุดหงิดความไม่พอใจมันก็จะียได้เร็วเหมือนกับเราพบ ว, ว่าไฟมันไหมนะมันยังไม่ไม่แรงนะักเนี่ยมันก็ดับง่ายเนาะแต่บางทีถ้าเราโมโหมากโกรธมากพครยดบ้ามากเนะี่ยมันก็ดับยากนะเหมือนกับไฟมันแรงน้ำเราน้อยก็ดับไม่ไหวก็ต้องปล่อยมันไะปก่อนนะป้องกันใหมนะ่อันนี้ก็เหมือนกันสติ พอมันรู้ทันร่างกายที่เคลื่อนไหวต่อไปจิตใจนี่แหละคือตัวการจริงๆนะตัวความคิดตัวอารมณ์ต่างๆเนยะมันเป็นไฟที่เผาใจของเรามันจะเข้ามาเห็นไปในจิตใจเห็นแล้วนะไม่ต้องทําอะไรโยมเห็นแล้วถ้าสติจริงๆเนะี่ยอารมณ์มันจะดับของมันเองนะแต่มันก็อยู่ที่เงื่อนไขว่า ถ้าสติเราพอนะหมายถึงกำลังมันพอหรือว่าสติที่มันเป็นอุเบกขามันรู้ซื่อจริงๆนะเอแต่บางทีเราก็รู้ว่าเรารู้สึกว่าเราก็เห็นนะเราก็รู้นะแต่บางทีจิตเราไม่เป็นอุเบกขาไม่รู้ซื่ อ, อเราจะมีความไม่ชอบไม่ชอบที่มันคิดไม่ชอบที่มันเผือไปโกรธนะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่การรู้ซื่อ พอเราไม่รู้ซื่อๆแบนะี้ก็เหมือนมันก็เลยยังไม่ดับมันก็เลยยังไม่หายแต่ถ้าเรารู้ซื่อๆเฉยๆเนะี่ยมันดับแน่นอนนะเนี่ยแต่บางทีคนที่ปฏิบัติยังไม่ละเอียดมากมันก็จะไม่เห็นว่าเี่เรายังมีความชอบมีความไม่ชอบในสภาพอารมณ์ น, นั้นอยู่ ม, มาแทรกเข้ามามันก็เลยยังเป็นไม่ไม่เรียกว่าเป็นการรู้ซื่อจริงๆนะมันก็เลยเห็นแล้วมันไม่ดับ S <S <an> เห็นแล้วไม่ตับทาําไงไม่ตับก็อยา่าไปพึ่งไปยุ่งกับมันนะไม่ตับก็อย่าพึ่งไปยุ่งนจิตค่ะตับมันรู้สึกกับกายเติ่งไหวก่อนนะไม่ต้องไปยุ่งนะมันยังไม่ตับมันยังไม่หายชัง่งมันกลับมารู้สึกกับกายก่อนเหมือนเป็นการซ้อมกลับมาซ้อมใหม่ก่อนนะเหมือนวันเหมือนรอบนี้เราแพ้ครับแล้วเรากลับมาซ้อมใหม่พอมันอารมณ์เกิดขึ้นใหม่คถ้าสติมันพอมังใจเป็นกายจริงเออไม่ว่าจะชนะได้ มันเหมือนคล้ายๆแพ้ก็ย่ามันอ่ะระกลับมาซ้อมใหม่นะทำมาวางใจใหม่ทำมาฝึกใหม่ต่อไปไอตัวที่มันหยาบยาตัวที่เราเห็นมีบ่อยเนาะมันก็จะทานานมากขึ้นโยะเหมือนมาเราทําการค้าเดียวเราเคยทำแล้วมันขาดทุนถ้าเรามีปัญญาต้องการจะวิเคราะห์ถูกว่าเราขาดทุนเพราะอะไรเรา แพ้ผู้แข่งเพราะอะไรเนาะเราจะค่อยๆพัฒนาปรับปรุงตีนคขาของเราปรับปรุงการตลาดของเรามันดีขึ้นมันก็จะ ค, ค่อยขายได้มากขึ้นการภาวนาก็เหมือนกันที่เราเสียเสียรู้เราหลงกลับไ้ตัวเนี้ยมาบ่อยจะเกินเพราะอะไรทำไมอิดช้าบ่อยจะเกินทําไมโมโห บ, บ, บ่อยจะเกินนะถ้าเรากลับมาทบทวนมาดูบ่อยๆนะอ๋อ เราแพ้ทานเขาตรงนี้นี่เองเนาะพอเราเห็นว่าไอ้จิตดีของเรามันขี่อิจฉาเนาะพอเห็นมันอิจฉาบ่อยๆมันก็จะค่อยมันก็จะค่อยลดตรงไปหือเห็นมันหงดหงิดบ่อยๆนะมันก็จะค่อยรู้ทันมันเรียนรู้ที่จะใจเป็นกางกับมันได้มากขึ้นคล้ายๆเปรียบเสมือนเหมือนสังเกตไหมบางทีคนหลายหลายคนนะพอป่วยนานๆน่ะ คนที่ดูแลคนป่วยก็จะค่อยๆยอมรับก็คื อ, ยยอมันอาจจะไม่หายแล้วเนาะนะก็จะค่อยยอมรับใจได้ถ้าสุดท้ายเขาจะตายก็อ ย, อยอมรับได้แต่บางคนแบบเป็นกักเสียวไม่ให้เวลาในการเปลี่ยนใจนั่นก็อาจจะเปลี่ยนใจมากจิตใจของเราก็เหมือนกันเราสังเกตถ้าอารมณ์ใดที่มันเกิดไปบ่อยมากถ้าเราเห็นไปบ่อยเนะี่ยมันจะเราจะเรียนรู้กับมันแล้วก็ ค่อยๆปรับใจค่อยๆวางใจแล้วก็มันจะยอมรับก็ได้เพราะที่จริงสติก็คือมันทําให้เราเห็นเห็นแล้วเราจะเข้าใจเขารู้จักเขามากขึ้นเมื่อเราเข้าใจเขารู้จักเขามากขึ้นเราก็ยอมรับก็ได้อ๋อมันก็เป็นเช่นนั้นเองเนาะมันเป็นเช่นนั้นเองคืออะไรมันไม่ใช่เรามันเป็นของมันเองอ่ามันเป็นเรื่องอะไร มันเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราที่จริ ง, รงคนส่วนใหญ่ทุ่งเพราะอะไรพุ่งพ่อเป็นยึดว่าอันนี้เป็นของเรานะมันคือความคิดของเรามันคืออารมณ์ของเราแต่จริงพอเราแค่เห็นว่ามันก็เป็นเพียงแค่ความคิดเหมือนกับนาฬิกาเนาะทามาเป็นถือไว้ถือนานๆมันก็หนักน ะ, นะแต่ถ้าเราแค่เห็น มือเราไม่ถือมันก็ไม่หนักใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันจิตใจก็เหมือนกันถ้าเราเห็นว่าเป็นเพียงแค่ความคิดมาเป็นเพียงแค่อาร Oil, มณ์มาเป็นเพียงแค่การปรุงแต่งของจิตเนี่ยมันเราไม่ถือว่าเป็นเราเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์นะมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะมันยังมีความหมึนหงิดอยู่ยังมีความพอใจมีความไม่พอใจอยูแ่แต่มีแล้วเราไม่เอาเนี่ยแหละ สำคัญเนะี่ยมีแล้วไม่เอามีแล้วไม่เอาก็คืออะไรก็เห็นเิยเฉยเรารู้ซึ้งเมื่อเราเห็นเฉยเราเรารู้ซึ้งนะอะไรที่เกิดขึ้นมามันก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราหนะ้าที่เราคือสร้างสตนะิแล้วก็ทําไปของเราเนะี่ยเราก็ทําแค่เดิญสติไปเรื่อยมันจะคิดกี่ครั้งกี่หนจะเรื่องเดิมเรื่องใหม่ก็จำาองมันนะก็วางใจนะ ช่างงันเราก็ทําของเราไปเรื่อยอันนี้จิตมันก็จะค่อยค่อยเป็นงตามจิตเป็นงตามคืออะไรก็คือเราไม่ไปหลงพอใจหลงไม่พอใจอจิตจะเป็นผู้ดูเฉยนะเหมือนเราไม่ลบเอียงนะอังเกตไหมเหมือนบางคนชอบเชียรนะ์เช่นจะเชียร์กีฬาเชียร์อะไรก็แล้วแต่นะคือจิตเราจะเอียงอยู่ฝั่งนึงลน ะ, ะถ้าฝั่งนี้ชนะ หรือทำท่าชนะเราก็จะใจเราก็จะดีถ้าฝั่งนี้แพ้ทําท่าจะแพ้ใจเราก็จะเสียใช่ไหมแต่ถ้าเราเป็นการเฉยเป็นดูเนี่ยใครจะแพ้ใครเจะนะใครจะได้จะเสียเนี่ยไม่ใช่เรื่องสุขไม่ใช่เรื่องทุกเราดูเฉยเฉยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเห็นอารมณ์มันเกิดขึ้นในใจนะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ฝ่ายบวกไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ฝ่ายลบนะเห็นเฉยเฉยเนี่ยนี่มันก็ไม่ไม่ดีใจไม่เสียใจนะมันก็จะ อเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราอ่อันเนี้ยจิตที่ดูก็ก็เห็นดีใจนะเราต้องมาฝึกนะนอกจากฝึกกันสร้างจังหวะ ก, การเดินจกงกรมแล้วต้องละเอียดในจิตใจเราด้วยนะก็คือว่าใจต้องตึงตามนะถ้าเมื่อไหร่ที่เราหลงไปพอใจหลงไม่พอใ จ, อ, ใจอ่ะเออให้รู้ทันนะให้รู้ทันใจว่ามันไปชอบไป็นชังแล้วเออวางตรงนั้นไป ะเค่อยๆถูกฐา น, นนะอารมณ์ดีขนาไหนมันชวนจะให้ไปชอบขนาดไหนออให้รู้ทันรู้ทันแล้วจิตจะกลับมารู้ตัวของมันเองแต่ถ้ายังหมไปติดอยู่ก็ไม่เป็นไรกลับมาสร้างตัวนี้ใหม่กลับมาหาฐานคือการเคพื่อนใยใหม่นะแต่กลับมานี่ไม่ใช่ว่าเราแบบกลับมาบังคับว่าห้ามหลงไปอีกนะไม่ใช่นะ ก็แค่กลับมาคือมันจะาไปอีกก็ไม่เป็นไรนะก็กลับมาใหม่นะไปอีกก็ไม่เป็นไรก็กลับมาใหม่โยนเหมือนคล้ายๆนะแขนเหยียดแขนออกเหยียดแขนเข้านะก็ทําทำบ่อยๆนะแขนแล้วก็เื่อมแข็งใช่ไหมจิตเราก็เหมือนกันมันไปแล้วอ่ะกลับมาไปแล้วกลับมาจิตก็เข้มแข็งขึ้นนะการภาวนาก็คือกลับมากลับมารู้ตัว กันมาด้ตัว ไ, ไวไหวเท่าที่ทําได้อันนั้นแหละคือเรียกว่าการฝึกเจริญสติเนาะหรือว่ามหาสติปัญฐานเราฝึกนะตรเ น, นี้ยจากสติเริ่มต้นต่อไปมหาก็คือมากนะหรือว่ามีกําลังมากนะมันก็จะค่อยๆเริ่มแรกก็ดับไฟกิเกลสคองเล็กๆไปก่อนต่อไปคลองเป็นมหาสติมีกําลังมากมันก็ดับไฟ อที่มันละเอียดขึ้นที่มันหนักหนักมากขึ้นในจิตใจของเราได้นะให้เราค่อยคฝึกเนาะค่อยค่ อ, คอ ย, อ ย, อ, ยอย่างที่บอกก็คือให้ทําเล่นๆนะแต่ให้ทําเรื่อยๆนะไม่ว่าจะทําในรูปแบบยก ม, มือสิบสี่จังหวัดหรือโดยจงกลมนะหรือนั่งสมาธิก็แล้วแต่หรือว่านอกรูปแบบนะก็ต้องเก็บเป็นต่อเนื่องไปเรื่อยนะบางทีเราปวด นะปัสสาวะนะจะลุกขึ้นจากตรงนี้เดินไปเข้าห้องน้าเนี่ยก็พยายามเก็บเกี่ยวนะเดินจากตรงนี้ไปเข้าห้องน้าเนี่ยก็ได้หลายถิ่เก้านะก็รู้สึกตัวในการลุกขึ้นในการเดินนะนะในการถ่ายในการหนักเบา ก, ก็ยังมีสติตามรู้ตัวเนี่ยนะนะไม่ใช่เร่งรีบนะบางคนภานวนาแบบเร่งรีบจะทำอย่างอื่นนะี่ยรีบทา ที่เพื่ออะไรจะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมแต่จริงลืมตัวว่าตอนที่เราทําอย่างอื่นก็เป็นเวลาปฏิบัติธรรมเหมือนกันใช่ไหมบังคนรีบกวาดบ้านให้มันเสร็จเสร็จเสรจเร็จจะได้ไปเดินยมคมแต่จริงถ้ากวาดจะมีสตินั่นก็คือปฏิบัติธรรมแล้วใช่ไหมอืมอ่เรารีบกินข้าวมันจะได้มีเวลาไปนั่งสมาธิมากขึ้นแต่จริงถ้าเรามีสติในการเคี้ยวข้าวทีละคำ รู้สึกในการตักรู้สึในการเคี้ยวนัแ่แหลภาวนาแล้ว <c oughs> ไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดว่าภาวนาคือเราต้องแค่เดินโยนโฟมแค่นั่งยก ม, มือตั้งจังหวะหรือนั่งสมาธิสนา้นเนาะแต่ถ้าใครสามารถวางใจว่าทุกอย่างคือการภาวนาทั้งนั้นทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นในในร่างกายในใจิตใจนะี่คือคืออุปกรณ์สอนธรรม หรือว่าคือโจทย์ให้เราได้ภาวนาทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่รวมถึงไม่ว่าใครจะทำอะไรเราก็เหมือนกันนะคนดินทานนี่ก็ถูอภาวนานะอ่าคนสรรเสริญก็เป็นเวลาภาวนานะถ้าเราไม่กลับมาดูตัวเรานะเราก็จะหลงไปเสียใจทุกใจหรือหลงไปฟูกับคำสรรเสริญของเขาใช่ไหมเป็นเวลาภาวนาทั้งนั้นเลยนะนะ ใครจะทําอะไรกับเราก็แล้วแต่หรือเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เป็นช่วงเวลาภาวนาตรงนั้นนะลองสังเกตดูดูกายดูใจนี่แหละนะไปเรื่อยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวของเราเองนะาก แ, แต่ก่อนเคยโกรธมากก็จะโกรธน้อยลงนะหลงบ่อยแต่ก่อนก็ยังหลงบ่อยกันนี่ก็จะหลงสั้นลงนะก็จะยังหลงเยอะเหมือนเดิมนะแต่เถือว่าความหลงมันสั้นลง ตกอนเคยปรุงเป็นครึ่งวันเป็นชั่วโมงต่อไปก็ปรุงน้อยลงนาทีนึงซึ่งวินาทีอะนะก็จะไปไ่ อ, อ, อตั้นลงมาเ น, นี่ยคือพัฒนาการที่เราจะเห็นนะจากการภาวนาของเราเนาะนะก็ให้เราเราทําให้มากๆนะลองทําดูมาก็เชื่อว่าคนที่เคยทํามาหลายปีนะแล้วก็คงคนมั่นใจพอสมควรในการภาวนาเนาะนี่พวกเราเอง ทำมาจะถึงทุกวันนี้เป็นคนที่มาใหม่ยังไม่เคยฝึกก็ให้ลองเปิดใจลองทำดูนะรูปแบบแบบนี้อาจจะดูไม่เทนะ่ดูไม่ค่อยสมรวมนะแต่มาเดวติต้าก็ประกาศ น, นะว่าถ้าเราเจริญสติจริงๆนะรูปแบบไม่จะเป็นแบบนี้นะแต่ผลที่ได้ที่เราจะทำพาได้กับจิตใจของเราเนะี่ย มันมีค่ามากจริงๆนะมันเป็นทางที่เราสามารถทำได้จริงๆแล้วก็เอาไปประยุกใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้จริงๆนะไม่ใช่ว่าเราจะทำได้แต่ตอนที่เรามาอยู่ที่ตรงนี้หรือทำในรูปแบบพอเราจับลักตรงนี้ได้ต่อไปเราไปทำอย่างอื่นหรือไปกระทบกับอย่างอื่นเนะี่ยเออสติไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องแค่อยู่ที่วัดไม่ใช่เรื่องแค่อยู่ที่คอ แต่สตินี่มันตามเราไปคุ้มครองใจในทุกผลทุกแห่งได้จริงๆนะถ้าเราทำทจริงๆมันจะได้ผลจริงๆนะนะลองทำดูเนาะสำหรับนะคนที่เคยฝึกอยู่แล้วก็ที่นี่เ็าจัดสันโอกาสชนะั้นบนอีกสองชั้นเนาะก็เป็นที่ให้เราปีกวิเวทไปสนจงกรมด้วยปฏิบัติธรรมก็ได้นะ ส่วนหรือว่าคนอาจจะไม่สะดวกอยู่ที่ตรงนี้ก็ได้ส่วนตรงนี้เดี๋ยวก็จะให้ป้จาจันตุ้มท่านแ น, นะนาสำหรับคนใหม่ที่ยังไม่เคยฝึกนะก็หรือคนเก่าไม่ค่อยได้ฝึกท่านอยากจะฝึกใหม่ก็ได้นะอือเดี๋ยวป้จาจันตุ้มเขาจะแนะนําการการยกมือเชิงสตินะแบบสร้างจังหวะหรือว่าการนริญคูมิโดยคนเก่าจะติดไปปฏิบัติขั้นบนก็ ก้าเ็น7โมง20ก็ลงมาก็ไรเนาะแล้วถ้าเปนะโมงขึ่งเาก็จะพักเย็รับประท า, าอนอาหารกลางวันกันก็มีเวลาก็ชั่วโมงยี่สิบนาทีก็ก็เชิญแยกย้ายกันเนาะ